50 languages <S S ok. 16 les estacions i el temps ฤดูและอากาศ Aquestes són les estacions de l'any นี่คือดู La primavera ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อนลาสติวฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว la ตารโดอิลิเบรนฤดูร้อนอากาศร้อน l'estiu és calorós พระอาทิตย์ส่องแสงในฤดูร้อนลตว ในฤดูร้อนเราชอบไปเดินเล่นอ l'estiu ens agrada p ag a n, s s e j a r ฤดูหนาวอากาศหนาว l'hivern és fred ในฤดูหนาวหิมะตกหรือฝนตกอลิเบอร์นเนเวลพลาในฤดูหนาวเราชอบอยู่บ้าน อ l h i v ิ r ์นอ s encanta ต์ตั้งแต่าหนาวฟ้ารฝนกำลังตกมีลมแรงอบอุ่นลแดดจัดฟ้าซ ท้องฟ้าโปร่งฟ Faun Bondia วันนี้อากาศเป็นอย่างไร Quintems f a v o ยวันนี้อากาศหนาวอบ v o i Favret วันนี้อากาศอบอุ่น f a v ยฟ f a v a ล o